ชีวิตของผู้เห็นความเกิดความดับพระพุทธภาษิตยโยจะปัสสถังชีเวอปะสังอุดยัปภยังเอกาหัางชีวิตังสยโยปัสสโตอุดยัปพยังแปลกว่าว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดและความดับผู้นั้นแม้มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นความเกิดและความดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า อธิบายความความเกิดและความดับนั้นท่านหมายถึงความเกิดและความดับหรือความเสื่อมแห่งสังขารอันเรียกในวิปัสสนาญาณว่าอุทยพยานุปาานัสสนาญาณหรือเรียกสั้นๆว่าอุทพพย า, ยานแปลว่ายานเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปเพื่ อ, อยังความนี้ให้แจม่มแจ้งขอกล่าวถึงวิปัสสนาญาณพอสังเกตวิปัสสนาญาณแปลว่ายา น, นวิปัสนา พระโยคาวจรผูร้เจริญวิปัสนาเมื่อจิตสงบแล้วย่อมต้องผ่านยานเหล่านี้โดยลำดับคือหนึ่งอุทะยับพระยานุปาาานัสนาญาณคือยานตามเห็นความเกิดและความเสื่อมหรือความดับแห่งนามรูป 2. พังคานุปาาานัสนาญาณคือยานตามเห็นความดับแห่งนามรูปคือเห็นความดับไปแห่งนามรูปอย่างเดียว 3. พยาตุปธาณญาณ ยานเห็นสังขารหรือนามรูปปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะความต้องทุกข์บ่อยๆสี่อธีนวานุปัสนาญาณยานตามเห็นโทษของนามรูปห้านิพพิทานุปัสนาญาณยานตามเห็นความเบื่อหน่ายในนามรูปหกมุนจิตุกรรมยตายานยานไข่จะพ้นไปเสียจากนามรูปนั้นเจ็ด ปฏิสังขานุปัสสนาญาณญาณตามพิจารณาหาทางแห่งความหลุดพ้นสังขารูปเปตขายานญาณวางเฉยในสังขาร 9. สัจจานุโลภวิกรารญาณในขณะประจับแจ้งซึ่งอริยสัจสี่ 4. รวมความดังนี้บุคคลเมื่อเจริญวิปัสสนาจนจิตสงบแล้วย่อมเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปต่อจากนั้นเห็นแต่ความดับอย่างเดียว จึงเห็นนามรูปเป็นของน่ากลัวมองเห็นโทษนาน า, นาประการเพราะเป็นบอ่อเกิดและที่ตั้งแห่งทุกข์จึงเบื่อนหน่ายคลายความกำหนัดต้องการพ้นไปเสียคือยกจิตให้พ้นจากความยึดติดในนามรูปจึงพิจารณาหาทางเห็นว่าความวางเฉยในทั้งสารทั้งปวงนั้นเองเป็นทางอันชอบต่อจากนั้นจิตย่อมดำเนินไปสู่การรู้แจ้งในอริยปัตตสีในการเจริญวิปัสสนานี้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 ความหมดจดเพราะข้ามความสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งนามรูปทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันห้ามัคคามัคยานทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยาณทัศนนะ์ว่าอันใดเป็นทางอันใดมิใช่ทางหปฏิปทาญาณนทะัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยาณทัศนะเกี่ยวกับปฏิปทาให้ถึงพระ น, นิพพานเจ็ดยานัศนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งยานทัศนะคือมีความรู้ความเห็นสมบูรณ์เต็มที่เมื่อเจริญวิปัสนาสภาพจิตข้ามพ้นกังขาวิจารณวิสุทธิแล้ววิปัสณูกิเลสคือเครื่องทำให้วิปัสนาเศร้าหมองอุปสรรคของวิปัสนาจะเกิดขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติหลงเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือพระนิพพานแล้วติดอยู่ในวิปัสนูกิเลสทั้งสิบนั้นไม่อาจ ก้าขึ้นสู่วิปัสนาเบื้องสูงต่อไปวิปัสสโนกิเลสสิบคือหนึ่งโอภาสแสงสว่างบางคนเห็นมากบางคนเห็นน้อยสองปิติความเ อ, อิบอิ่มใจจนไม่อาจระงับได้บางทีถึงกับต้องหัวเราะ อ, ออกมาปสปัสสธิความสงบอันตนไม่เคยประสบมาก่อนสีอ่อธิโมกความน้อมใจเชื่อในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าในทางแห่งความบริสุทธิ์ห้าปัจาหะ ความเพียรความขมักขม่นความเชื่ออย่างมั่นคงหกอุบัปฐานความตั้งมั่นแห่งจิตเจ็ด 7. สุขความสุขแปญาณคือความรู้เก้าอุเบกขาคือความวางเฉยสิบนิกนติความพอใจความติดใจในอารมณ์ผู้ปฏิบัติได้มาพบสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่เคยพบในชีวิตปกติอาจหลงไหลติดอยู่ในปิติและสุขเป็นต้น เพราะพิธีสุขเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของบุคคลผู้ถ่องการละกิเลสโดยเด็ดขาดจึงต้องพิจารณาลาวิปัสสุกิเลสทั้งสิจนี้เพราะมิใช่ทางแห่งพระนิพพานมันเป็นเพียงหลุมพรางอย่างหนึ่งที่ล่อให้หลงเมื่อเห็นโทษและละได้แล้วยานอันทําให้เห็นทางพระนิพพานก็เกิดขึ้นนั้นคือมรคามรคยานทัศนวิสุทธิและดาเนินต่อไปจนถึงพระนิพพาน วิสุทธิเจ็ดนี้ท่านเปรียบเหมือนรถเจ็ดผลักที่ส่งบุคคลให้ถึงจุดหมายปลายทางรถย่อมไม่ใช่จุดหมายปลายทางฉันใดวิสุทธิเจ็ดนี้ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแห่งการปฏิบัติธรรมฉันนั้นแต่เป็นเครื่องมือเป็นทางนำไปสู่จุดหมายคือมรรคผลนิพานหรืออนุ ป, ปาทาปรินิพานคือความดับโดยไม่มีเชื้อเหลือตามในแห่งรัฐวิีตสุมาชิมานิกายมชิมปนาต ซึ่งพระปุณณมันตานิบุตรได้สนทนากับพระสารีบุตรเถระขอย้อนกล่าวถึงเรื่องความเกิดและความดับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นโดยธรรมดานามรูปร่างกายและจิตใจของคนเราเกิดดับอยู่เสมอตลอดเวลาแต่เนื่องจากสืบต่อกันรวดเร็วมากจึงไม่ค่อยรู้ว่าเกิดดับมองเห็นเป็นเที่ยงยั่งยืนนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์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 ไม่อย่างยืนตรงกับคําว่าคณิกะภาวะในบาลีคือเป็นไปชั่วขณะหนึ่งที่คนทั้งหลายเห็นเป็นเที่ยงและย่างยืนนั้นก็เพราะสันตติความสืบต่อไม่ขาดสายบังไว้และคงรักษารูปลักษณะเอาไว้แต่ก็ไม่คลิ้นเปลี่ยนแปลงเช่นความชราของร่างกายซึ่งไม่มีอะไรห้ามได้ไม่มีอะไรปิดบังได้คือคณิกะวาทะของพระพุทธเจ้าได้เข้ากลาง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 ในเมืองสาวาถีเมื่อรุ่นสาวได้ร่วมรักกับคนใช้ของตนโดยที่มารดาวิดาไม่ได้สราบประแคระคายเลยแม้แต่น้อยต่อมาชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มีศักดิ์ตระกูลเสมอกันมาขอนางมารดาวิดาของนางยกให้กําหนดวันวินวาแล้วนางจึงบอกแก่คนใช้ซึ่งเป็นคนรักของนางว่าหากนางเข้าสู่พิธีวิวาแล้วเขาไม่อาจพบนางได้อีกไม่ว่าในกรณีไรไรเพราะฉะนั้น หากว่ารักนางจริงก็ ข, ขอให้พานางหนีไปอยู่ที่อื่นเสียก่อนวันวิวาบุรุษนั้นรับทำตามคําของนางนัดหมายกันแล้ววันรุ่งขึ้นเขาไปคอยอยู่แต่เช้าตรู่หน้าที่แห่งหนึ่งปตาจาราปลอมตัวเป็นทาสีนุ่งผ้าปนๆเอารำทาตัวสยายผมถือหม้อน้ำรวมไปกับพวกทาสีไปยังที่นัดหมายแล้วพาันหนีไปอยู่ณบ้านพ่าแห่งหนึ่ง อยู่ร่วมกันอย่างสามีพัญญาสามีไถนาในป่าเก็บผักหักฟืนส่วนพัญญาถักน้ําทําข้าบและหุงต้มเป็นต้นต่อมานางมีคันเมื่อท้องแก่จะคลอดนางขอร้องสามีให้น้ากลับไปบ้านเดิมเพื่อคลอดบุตรเพราะที่บ้านป่าไม่มีญาติพี่น้องหรือใครๆที่จะช่วยเหลือในการคลอดได้แต่สามีไม่ยอมไปเพราะกลัวพ่อตายแม่ยายจะทําร้ายหรือฆ่าถึงตาย นางอ้อนวอนแล้วแล้วเราๆแต่ไม่มีผลวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทํา ง, งานในป่านางสั่งเพื่อนบ้านไว้ว่าหากสามีกลับมาถาม ถ, ามถึงนางขอให้บอกว่านางกลับเป็คลอดที่บ้านเดิมดังนี้แล้วออกจากบ้านป่ามุ่งหน้าสู่นครสาวัตถีสามีกลับจากป่าทราบความเข้าจึงรีบออกติดตามมุ่งหมายจะเอาตัวกลับมาทันเข้าระหว่างทางอ้อนวอนให้นางกลับสู่บ้านป่าแต่นางหายยอมไม่ ยืนยันจะไปคลอดที่บ้านอย่างเดียวขณะนั้นลมกรมัชวาดเกิดขึ้นนางปวดท้องจะคลอดจึงเข้าไปบังผู้ไม้แห่งหนึ่งนอนกลิ้งเกลือกอยู่กับพื้นดินคลอดได้โดยยากแต่ก็คลอดจนได้เมื่อคลอดแล้วสองสามีพัญญาจึงพากันกลับยังบ้านป่าตามเดิมต่อมานางตั้งทันอีกจึงบอกสามีโดยในก่อนและหนีออกจากบ้านเมื่อสามีไม่อยู่ สามีตามมาทานข้าวอ่อนวอนให้กลับนางก็ไม่ยอมกลับขณะที่ทั้งสองกําลังโต้เถียงกันอยู่ฝนตั้งเขาขึ้นมาพร้อมๆกับที่นางปวดขันจะคลอดนางบอกความนั้นแกสามีขอให้ทําที่พักแห่งหนึ่งที่พอบังฝนได้ฝ่ายสามีถือมีดเข้าไปยังพุ่มไม้ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งจึงเริ่มตัดไม้เอาสารพิษมีพิษร้ายแรงตัวหนึ่งเลยออกมาจากจอมปลวกกัดเขาสรีระของเขาเขียวขึ้น เพราะพิษงูแล่นไปทั่วเสมือนไฟเกิดขึ้นภายในกายแล้วเผาไหม้อยู่เขาลงลงตาหน้าที่นั่นเองฝ่ายปตาจาราประสบทุกอย่างหนักฝนเริ่มเทลงมาอย่างแรงนางมองดูทางมาของสามีก็ไม่เห็นได้ค ล, ลอดบุตรตรงนั้นนั่นเองเด็กทั้งสองไม่อาจทานกำลังลมและฝนได้จึงร้องให้ลันออกมานางหมดปัญญาที่จะทำอย่างอื่นจึงเอาเข่าและมือทั้งสอง ยันลงกับพื้นคร่อมบุตรทั้งสองได้ตลอดคืนราตรีล่วงไปด้วยความยากลำบาของนางเป็นอย่างยิ่งร่างกายของนางที่เหลืองไม่มีโลหิตเสมือนใบไม้เหลืองเมื่ออรุณขึ้นนางกำหนดทางที่สามีเดินไปเมื่อเย็นวานแล้วอุบุดคนหนึ่งจูงคนหนึ่งเดินไปตามทางนั้นเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกนางเสียใจอย่างใหญ่หลวงรำพันว่าเพราะเราแท้แท้สามีจึงตายอย่างนี้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 นางซึ่งหันรีหันขวางอยู่กลางแม่น้ำเพราะเป็นห่วงบุตรคนเล็กได้เห็นดังนั้นจึงส่งเสียงไล่นกแต่นกไม่ได้ยินฝ่ายบุตรคนโตยืนอยู่รอแม่อยู่ฝั่งนี้ได้ยินเสียงแม่และเห็นแม่ยกมือทั้งสองขึ้นเข้าใจว่าเรียกตนจึงกระโดดลงน้ำน้ำซึ่งกำลังไหลเชี่ยวได้พัดเด็กน้อยจมลงทันทีปตาจาราตรงศูญย์เสียบุตรทั้งสองในเวลาเดียวกัน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 ชายนั้นบอกให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้เรือนของเศรษฐีพังทับคนทั้งสามถึงตายคือเศรษฐีพัญญาและบุตรชายคนหนึ่งคนทั้งสามคนกำลังถูกเผาที่เชิงตะกรเดียวกันกวนยังปรากฏให้เห็นอยู่ปตาจาราทีา่ทราบความนั้นตะลึงงนันไม่รู้สึกแม้ความที่ผ้าหนุ่งหลุดลุ่ยออกจากตัวร้องให้รำพันบ่นเพอเซชวนไปว่าบุตรสองคนตายซะแล้วสามีก็ตายในทางเกลียว มารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอเดียวกันคนทั้งหลายเห็นอาการของนางแล้วพูดขึ้นว่าผู้หญิงบ้าผู้หญิงบ้าจึงเอาหยากเยื่อและฝุ่นโปรโยลงบนศีรษะกว้างปลาด้วยก่อนดินขณะนั้นพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับแสดงธรรมอยู่ถ้มกลางพุทธบริษัทณเชตวันมหาวิหารท่าพระนตรเห็นนางปตาจาราผู้ได้บำเพ็ญบารมีมาสิ้นแสนกับ มีอภิเนหา์เต็มเปี่ยมแล้วกําลังเดินมาทราบว่าปตาจาราเห็นพระเถรีผู้ทรงวินัยรูปหนึ่งซึ่งพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตําแหน่งเอตะทะคะจึงทําคุณความดีปราถนาว่าขอให้มอมฉันได้ตําแหน่งเอตะทะคะทางทรงวินัยในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตพระปทุมุตระพุทธเจ้าทรงพยากรว่าจยากได้ตําแหน่งนั้น ในศาสนาของพระโคโดมพุทธเจ้าพระโคโดมพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นนางผู้มีบุญอันทําไว้แล้วมีอภินิหารอันทําไว้แล้วกําลังเดินมาเช่นั้นทรงดําริว่าเว้นเราเสียผู้อื่นซึ่งจะเป็นที่พึ่งของนางได้ไม่มีจึงทรงบันดาลให้นางมุ่งหน้าสู่วิหารเชเทวันพุทธบริษัทเห็นนางแล้วกล่าวกันว่าอย่าให้หญิงบ้าเข้ามาแต่พระศาสดาตรัสว่าอย่าห้ามเธอเลย จงให้เธอเข้ามาเถิดเราจากเป็นที่พึ่งของนางเมื่อนางเข้ามาใกล้แล้วพระศาสดาตรัสว่าน้องหญิงจงได้สติเถิดด้วยพระพุทธานุภาพนั่นเองนางกลับได้สติแล้วกําหนดได้ว่าตนมิได้หนุงผาจึงมีอาการขวยเขินนั่งกระโยงเพื่อซ่อนเร้นอวัยวะอันพึงละอายชายคนหนึ่งโยนพ่อขุมไปให้นางนุ่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมด้วยเบญจานคะประดิษฐ์แทบพระบาททั้งสองทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของม่อมฉันวิเถิดพระเจ้าขา้าเหยี่ยวเชียวบุตรคนหนึ่งไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีตายในทางเปี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับตายพระศาสดาทรงปลอบนางว่าปตาจาราบัดนี้เธอได้มาอยู่เฉพาะหน้าของผู้อันจะเป็นที่พึ่งของเธอได้แล้วอย่าคิดอะไรมาก จะเสียใจเลยเธอจะได้สิ่งอันยิ่งใหญ่อื่นมาชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปปตาจาราเออยน้ำตาของคนที่ร้องไห้เพราะสูญเสียปิยชนมีบุตรเป็นต้นในสงสารอันยาวนานนี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุไรเธอจึงประมาทอยู่เล่าเมื่อพระศาสดาตรัสอาณามาตักขะปริ ย, ยนี้อยู่ความโศก ข, ของนางได้เบาบางลง พระศาสดาทรงทราบความนั้นแล้วตรัสต่อไปว่าปตาจาราปิยชนมีบุตรเป็นต้นไม่สามารถต้านทานหรือป้องกันบุคคลผู้ไปสู่พรโลกได้บุตรเป็นต้นนั้นแม้มีก็เหมือนไม่มีบัณฑิต ท, ทราบดังนี้แล้วรีบเร่งชำระศีลให้บริสุทธิ์ทำทางไปสู่พระนิพพานของตนเมื่อจบเทสนาปตาจาราได้บรรลุโสดาปติผล คนอื่นๆก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมเทศนานี้มากปตาจาราได้อุปสมบทในสำนักพิสุนีทั้งหลายวันหนึ่งนางเ อ, มอาม่าน้ำล้างเท้าน้ํานั้นไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วหยุดนางเทลงอีกครั้งที่สองน้ำไหลไปกลๆกว่านั้นหน่อยหนึ่งแล้วหยุดครั้งที่สามก็เหมือนกันนางถือเอาน้ํานั้นเป็นอารมณ์กําหนดไว้ทั้งสามว่าสัตว์ทั้งหลายตายเสียในปฐมวัย ก็มีเหมือนาน้ําที่เทลงครั้งแรกตายเสียในปชิมะไว้ก็มีเหมือนาน้ําที่เทลงครั้งที่สองตายเสียในปชิมะไว้ก็มีเหมือนาน้าที่เทลงในครั้งที่สามพระาศาสดาประทับอยู่ที่พระคันทกุดีทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับยืนอยู่เบื้องหน้าของนางตรัสว่าอย่างนั้นแหละปะตาจาราความเป็นอยู่ เป็นวันเดียวหรือขณะเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของเบญจขันน์ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ถึงร้อยปีของผู้ไม่เห็นความเกิดและเสื่อมของเบญจขัน์ดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าโยจะวสะสตังชีเวอปสั่งอุทยัปพยังเป็นอาทิมีนัยยะดังพน า, นา ม, มาแล้วแต่ตน